เป็นพี่เป็นน้องกันเนาะอยู่กันเล่าสู่กันฟังไปไปทุดงมาก็ตั้งแต่หลังนูนะ่นเนาะตั้งแต่หลังจากธรรมยาตาอ่านะก็ไปทุดงน่านพยาวนะฮะแล้วก็น่านพยาวแล้วก็เชียงราย กลับมาจากตรงนั้นก็มาอยู่วัดสักสองอาทิตย์หรือเปล่านะฮะอาจจะไม่ถึงนะจำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ไปศรีลังกาศรีลังกาก็เป็นเป็นที่ที่ก็เอาเรื่องเล่าสู่ันฟังเนาะก็เป็นประเทศที่เรียกเป็นพุทธเทรวาดเนาะคือในโลกนะ ก็จะมีประเทศไทยประเทศพ ม, มา่าแล้วก็ประเทศศรีลังกาสามประเทศเนี่ยที่เหมือนกับว่าเป็นประเทศประเทศพุทธประเทศพุทธแบบว่าพุทธเต็มๆ เ, เ, เนาะศา ส, สนาอื่นก็น้อยๆกั น, น, นแล้วก็เป็นอย่างเดียวกันก็คือเป็นเทรวาสเป็นเป็นประเทศที่มีมีเท่านี้เองอะนะอย่างเงี้อยอย่างสมมุติถืกว่า อย่างที่อื่นจะเป็นลาวก็ดีจะเป็นกัมพูชาก็ดีจะเป็นเวียดนามก็ดีตรงนั้นของเขาก็อ่อนแอหน่อยเนาะอย่างนั้นก็เป็นเทรวาสเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เข้มแข็งเท่ากับตรงนี้ในส่วนของศรีลังกาที่น่าสนใจก็อย่างที่พระจันทร์นสดพูดไว้เมื่อวานนะว่าเป็นประเทศที่ก็หลังจากพระเจ้าปรินิพานประมาณสัก2องปี ศา ส, สนาพุทธก็เข้าไปในประเทศเขาแล้วก็ก็เรียกว่าจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็รับเอาศา ส, สนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติแล้วก็เขาก็ได้เหมือนกับพี่กายว่าพระมหากษัตริย์ก็ได้ถ่ายทอดเนาะเรียกว่าเรียกว่าถ่ายทอดวิถีพุทธเนี่ยเข้ามาสู่ก็เรียกว่าสู่ประเทศศรีลังกา ผ่านก็เรียกว่าผ่านทางการปฏิบัติตัวของพระมหากษัตริย์เองก็ดีนะแล้วก็ทํานองเดียวกันผู้คนที่อยู่ในก็เรียกว่าอยู่ในล่มล่มโผลล่มใส่ของพระมหากษัตริย์ก็ประพฤติตามกันในเชิงพุทธตรงนี้เนี่ยทางอ่าก็เรียกพระมหากษัตริย์เขาก็จะเหมือนกับก็เรียกว่าไม่ไม่ใช่เป็นพระมหากษัตริย์ที่ ที่สบวยสุขกันเนาะแต่ว่าพระมหากษัตริย์ก็จะเหมือนกับทาหน้าที่บำบัดทุกข์บำบงสุขของผู้คนแล้วก็พร้อมทั้งแบบว่าถือศีลเนาะน่าจะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ที่อยู่ในศีลในธรรมที่ดีมากๆเลยก็ปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยอย่างที่ส่วนที่เด่นๆเนาะอย่างอาทิเช่นพวกสัตว์เนาะสัตว์ปา จะเป็นนกกาจะเป็นลิงจะเป็นตะกวดจะเป็นอะไรต่างๆนาน า, น า, นานเหล่านี้เนี่ยก็เขาจะไม่ตื่นคนนะฮะแล้วก็จะเหมือนกับเราเดินผ่านไปผ่านมาก็เป็นเรื่องปกติอย่างเช้าวันแรกเนี่ยก็ห้องพักที่เราพักก็จะเป็นพักที่บ้านที่บ้านโยมเนะก็จะมีกระจกก็จะมีอีกาเนะแล้วก็มาเกาะอยู่กับกิ่งไม้นอกกระจกห่างเราไปประมาณสักถ้าถ้านับจากกระจกก็เมตรเดียวนะ นิดเดียวเองนะฮะเราก็เคลื่อนไหวอยู่ข้างในนกนกกาเขาก็ไม่ได้ตื่นอะไรนะฮะอย่างนั้นเขาก็เกาะของเขาไปอะไรต่างๆหรือว่าในช่วงก็เรียกว่าได้ไปวัดของอาจารย์โทนนะฮะพระอาจารย์โทนก็เป็นพระอาจารย์ชาวเนเธอร์แลนด์รูปหนึ่งที่เคยมาจําพรรษาที่เราในปีสองพันห้า้อยสี่สิบห้าที่ตัวนั้นก็เป็นเกาะกลางน้นะะําเนาะ ก็มีตัวตะกวดนะฮะเขาก็นอนนอนอยู่ข้างทางอ่ะเราก็เดินผ่านไปตัวตะกวดก็ห่างจากเราไปประมาณสักเมตรสองเมตรนะธรรมดาถ้าเราเดินผ่านอย่างนี้ที่เมืองไทยนี่ก็เรียกว่าแค่ได้ยินเสียงเราเดินมาไกลๆก็ไม่เหลือไม่เห็นตัวแล้วอันนี้เขาเองเขาก็นอนเขาก็นอนพักสบายๆอยู่เราเดินผ่านไปก็ก็เหลียวหน้ามามองหน่อยนึงแล้วก็นอนต่อ อะไรทำนองเนี้ยนะฮะอย่างนี้ก็จะทําให้เราได้เห็นภาพของก็เรียกว่าผู้คนที่ตรงนั้นที่อยู่อยู่กับธรรมชาติแล้วก็พวกวิหกนกากาเขก็อยู่กันตามสบายกันนะฮะตรงนี้เราก็มองเห็นภาพแบบนี้วิถีพุทธในในชาวศรีลังกาก็เป็นก็เรียกว่าก็อยู่ในวิถีที่ชัดเจนมากๆนะครับเราไปเราไป ที่ศรีลังกานี้ก็พอดีท่านอาจาราเนาะท่านอัจาราที่เป็นชาวศรีลังกาพระชาวศรีลังกาที่มาอยู่กับเราเนี่ยท่านก็บวชอยู่ที่ตรงนั้นแนละท่านเองท่านก็เหมือนกับพยาบาลว่าท่านก็แสวงหาแสวงหาก็เรียกว่าอ่าก็เรียกว่าคําสอนของพุทธเจ้าเนาะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยก็ พระจัน์โทนเนี่ยก็ได้แนะนำว่ามามาที่ตรงสุขโตเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยก็น่าจะถ่ายทอดคำสอนของพระเจ้าได้ดีในทางปฏิบัติเนี่ยนั่นนั่นคือพอเวลาที่เราไปถึงเนี่ยท่านเองก็ได้พาเราสัมผัสเนาะวิถีพุทธในรูปแบบต่างๆที่ตรงนั้นก็เป็นที่ที่เาเรียกว่าลังกาก็รับเอาศาสนาพุทธเนาะ แบบในแนวทางของเราก็จะมีก็เรียกว่ามีนิกายสยามวงศ์ที่ตรงเขาตรงนั้นอันหนึ่งแล้วก็มีนิกายรามันวงศ์อันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นนิกายจำไม่ได้ว่าอะไรนะพระเจ้าโนธฮ ะ, ฮะอมะระอมะระปุระนะฮะก็เป็นเป็นทางของอ่าก็ เ, าเรียกว่าเป็นของพม่าสองนิกายด้วยกัน ก็ตรงตรงนี้เนี่ยเขาก็จะแยกนะแยกแยกเป็นเหมือนว่าทุกวันนี้ลามันวงเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเป็นพระเป็นพระป่าพระป่าของเขาก็จะมีลักษณะแบบเรียกว่าแบบอยู่ป่าอยู่ป่าจริงๆอยู่ป่าจริงๆแล้วก็จะเป็นพระที่บินธบาตอย่างเดียว แต่ส่วนอีก2นิกายก็คืออรมรปุระกับสยามวงเนี่ยก็จะเป็นพระเหมือนกับพระบ้านเนาะก็จะเป็นพระที่ชาวบ้านเนี่ยถึงเวลาก็จะเอาเอาอาหารไปถวายพระกันนั่นนั้นคือตรงเนี้ยก็จะมีลักษณะที่ทแตกต่างกันเราไปก็เราไปก็เป็นเหมือนกับว่าก็ได้สัมผัสทั้ทงสองอย่างที่ ลังกานี้ยก็จะมีก็เรียกว่าการการทานข้าวของเขาเขาจะใช้มือเปิบเนาะแล้วก็ข้าวเขาก็จะเป็นข้าวข้าวเจ้านะฮะก็วิธีการก็เราก็จะใช้บาทรับเนาะชาวบ้านวันแรกเนี่ยที่เราไปอยู่ที่บ้านก็เจ้าของบ้านเขาก็มาตักตักอาหารใส่บาทก็ถ้าเราเห็นพอสมควรเราก็ ยกมือนะฮะยกมือบอกก็กับข้าวก็จะเป็นกับข้าวที่เขาก็ใส่ลงไปมีข้าวมีคล้ายๆเป็นเส้นหมีมีแกงเนาะมีแกงเป็นแกงกะหรี่อันนึงที่มีน้ำน้ำนะฮะก็เป็นน้ำคลิกคลิ ก, ล ก, ลกเป็นแกงถั่วแกงถั่วนี่ไม่มีน้ำนะก็จะเป็นถั่วแบบเรียกว่าข้นๆเลยนะฮะอย่างนั้นแล้วก็จะมีแบบว่ามีน้ำพริก นะมีน้ำพริกน้ำพริกก็จะเป็นน้ำพริกแบบคล้ายๆบ้านเรานี่แหละฮะตำพริกตำเกลือใส่มะนาวใส่หนึ่งตันนนน า, า น, านี้ก็ใส่ลงไปในบาทชฉันในบาทเนาะอย่างเงี้ยก็พอเวลาที่เราเริ่มฉันเนาะก็เขาเรียกว่าโพชเนมัตตันยุตาก็ปรากฏขึ้นมาทันทีนะแบบว่า เวลาที่จะไม่ฮะเวลาที่ในวินัยเนาะก็บอกบอกว่าทําคําข้าวให้กลมกล่อมเนาะทำอา่าเขาเรียกว่าอยา่าแบบอย่าโยนอา่าเขาเรียกว่าคาข้าวใส่ปากอยา่าอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็ในในเขาเรียกว่ามันเราเหมือนกับได้สัมผัสกับยุคพุทธกาลเนาะที่พระพุทธเจ้าเองก็ได้บัญญัติอา่าเขาเรียกว่าวินัยในเรื่องของการขบฉัน คือการที่เราขบฉันด้วยด้วยด้วยมือนะแล้วก็มีข้าวมีแกงตรงที่ข้าวของเขานะเขาก็จะหุงล้วนๆ น, นะฮะล้วนเป็นเม็ดเหมือนเป็นเม็ดทรายนะเวลาเวลาที่เราแค่เรียกว่าเราใช้มือนะก็ค่อนข้างยุ่งยากนิดหน่อยนะฮะตรงนี้ก็ต้องต้องอาศัยความสํารวมระวังเยอะอยู่นะฮะก็จําได้ว่าเด็กๆก็เอ้เราก็เคย เคยยังได้มีโอกาสได้ทานข้าวด้วยมืออยู่แต่ว่าข้าวของเราไม่ล่วนอย่างข้าวสีลังกานะั่นนั่นคือตรงนี้ก็แบบเรื่องอาหารก็เป็นเรื่องที่แบบเราก็ได้พบนะก็เรียกว่าได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแบบว่าเป็นเป็นจริงเป็นจังกันตั้งแต่มือแรกกันไปนะอย่างนั้นแล้วก็หลังจากนั้นไปเป็นต้นไปเนี่ยก็ได้มีโอกาสแบบว่า ฉันในบาตรแล้วก็ฉันมือตลอดอย่างมือหนึ่งนะฮะอ า, อาจจะเป็นมื้อถัดไปเลยหรือว่าอะไรยังไงก็จําไม่ได้แน่นะเราก็มีโอกาสได้ไปที่ลงทานของวัดนะวัดใหญ่ประจำเขาเรียกว่าประจําเมืองนะฮะก็เป็นถือเป็นวัดสําคัญของศรีลังกาก็จะเป็นวัดที่แบบมีคนไปทําบุญมากๆเป็นพระเจดีย์ วัดนั้นน่าจะเป็นพระเดียองใหญ่ที่สุดในประเทศศรีลังกาแล้วเนาะอย่างนั้นแล้วก็คนก็จะไปไหว้กันชาวศรีลังกาก็จะไปไหว้กันอย่างมากๆนะฮะอย่างนั้นชาวต่างประเทศไม่เห็นนะ่ะต้องเรียกว่าไม่เห็นมีแต่พวกเรานี่ละอตอนกลางวันก็มีโอกาสได้ไปอาศัยลงทานซึ่งก็เหมือนกับในสมัยพุทธกาลเนาะก็มีลงทานประจมามัดกันเราก็ได้เข้าไป ก็เหมือนกันเขาก็จะมีแบบว่าเราก็จะเตรียมบาตไปนะฮะสำหรับที่จะให้เขาได้ตักบาตกันเขาก็จะตักอาหารใส่บาตเรานะฮะเหมือนตักเช้ายังไงตักกลางวันก็เหมือนกันนะฮะอย่างนั้นแล้วก็ที่สําคัญก็อาหารก็เหมือนกันนะอย่างเงี้ยก็ที่นั่นก็แบบว่าเออเช้าหนึ่งนะฮะอาหารก็เหมือนกันกลางวันอาหารก็เหมือนกันแล้วก็จริงๆแล้วทุกวันอาหารก็เหมือนกันทุกมื้อเลย เราจะไปร้านอาหารที่เสียตังค์แพงหน่อยนะฮะข้างทางที่เราไม่มีทางเลือกเพราะว่าเป็นเวลาเพลิพอดีอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่ทันรู้ว่าที่นี่เขาจะเก็บตังค์เท่าไหร่ไงแต่ว่าเหมือนกันว่าแบบอาหารเหมือนกันเพียงแต่ว่าเสียตังค์แพงกว่าอย่างนั้นแหละอนะ่รงเงี้ยหรือว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเราก็ไปบ้านป่าเนาะก็เป็นชาวบ้านที่อ่าจะลาบากกว่าพวกเราสักหน่อยเนาะ หมายหมายถึงว่าลำบากกว่าที่ที่บ้านใหม่ไทยเจริญเนี่ยเนาะก็แบบจุดที่เราอยู่กับบ้านที่อยู่ก็ห่างกันเรียกว่าห่างกันประมาณตั้งสามสี่กิโลเนาะแล้วก็ต้องเดินผ่านคนาเนาะแล้วก็ต้องเดินผ่านฝายน้ำแบบแบบยาวมากเลยเป็นแบบว่าเป็นสักยี่สิบเมตรเนี้ยนะแล้วก็น้ำก็ไหลแรงๆเนาะ เออชาวบ้านเขาก็เดินกันคล่องแคล่วนะนึกถึงว่าเขาเดินถืออาหารมานะขนาดเราเดินผ่านแบบที่แบบเรียกว่ารับผิดชอบตัวเราเองนี่ก็ยังแทบไม่ได้ก็เขาก็จะต้องช่วยเรานะอย่างนั้นอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่ที่เราไปตรงนั้นก็จะเป็นแบบว่าการอยู่แบบพระป่าจุดที่เราพักกันเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เหมือนกับว่าไกลออกจาก ศาลาที่เขาถวายอาหารเนี่ยประมาณสักเดินขึ้นเขาไปประมาณสัก 30- 40นาทีนะฮะอย่างนั้นก็เรียกว่าขึ้นไปไม่มีต้งเรียกว่าไม่มีอย่างอื่นเลยเนาะมีกุฏิเดียวๆอยู่กุฏินึงอย่างเงี้ยฮะก็เรียกว่าเขาก็อยู่กันเรียกว่าอยู่กันอย่างพระมาท่านอาจาราก็ได้อยู่ที่นั่นมา9เดือน ผู้ที่สร้างกุฏิเอาไว้ก็เป็นพระชาวเนเธอร์แลนด์เหมือนกันนะฮะอีกรูปหนึ่งที่ท่านเองอยู่ในศรีลังกามาประมาณสัก43บสามปีท่านก็จะอยู่อยู่กับคล้ายๆว่าอยู่กับที่เนี่ยประมาณสักสองสมปีแล้วก็ย้ายที่ทีหนึ่ง2อสมปีแล้วก็ย้ายที่ทีหนึ่งจุดที่ท่านย้ายย้ายทีหนึ่งทีหนึ่งก็ ย้าให้ห่างๆกันไปแบบหลายหลายกิโลเลยนะฮะอย่างนั้นอะอย่างเงี้ยคือก็เรียกว่าเล้นกายอยู่ในป่าแล้วก็จะออกมาก็เพียงแค่มารับบาตก็ในธรรมเนียมของการรับบาตกันก็จะมีการพูดธรรมะให้กันฟังเนาะอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเราที่ที่เราที่ตรงเนี้ยเนาะก็เหมือนกับพอรับบาสเสร็จก็มีการพูดธรรมะให้กันฟังมีการอ่าก็เรียกว่าแบบว่า พาโกรดน้ารับผ่อนกันเหมือนกันนะฮะเหมือนกันไม่มีผิดอย่างเงี้ยนะฮะเพียงแต่ว่าการพูดธรรมะให้ให้ฟังเนี่ยข อ, ข, อของก็จะใช้เวลามากกว่าสักนิดหนึ่งก็แล้วแต่สไตล์ของพระแต่ละรูปแต่ละรู ป, แ ต, รปแต่ว่าอย่างที่เราเห็นเนาะก็จะค่อนข้างใช้เวลาเยอะสักหน่อยหนึ่งอย่างมีวันหนึ่งเราเข้าไปชันันเพนในวัดนะฮะก็ปรากฏว่าเรา เริ่มฉันเพนเนี่ยก็หลังจากที่ท่านจิกท่านแยกออกไปอีกห้องหนึ่งเนาะก็ท่านก็ไปแบบว่าไปรับบาตจากชาวบ้านอีกห้องหนึ่งท่านก็กําลังเขาเรียกว่ากําลังอ่าก็เรียกว่ า, วาให้ทำญาติโยมอยู่นะเราก็ฉันจนกระทั่งเสร็จหรือเกือบเสร็จเนี่ยท่านก็ยังให้พ่อนไม่จบให้ไม่ใช่ให้พ่อนะฮะหมายถึงว่าให้ทำญาติโยมยังไม่เสร็จ ก็เรียกว่ายาวกันยาวกันที่เดียวอะไรเงี้ยนะยังไงก็แล้วแต่แล้วแต่สไตล์กันอะไรเงี้ยก็ตรงนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ก็เป็นภาพของวัดบ้านบ้างภาพของวัดป่าบ้างในส่วนของ อ, อีกลักษณะหนึ่งเราก็ได้มีโอกาสไปร่วมอ่าก็เรียกว่าที่วัดของมหาวิทยาลัยที่หนึ่งก็จะเป็นวันพระใหญ่เนาะก็เป็นวันพระใหญ่ เมือ่อคราวที่ผ่านมานี่แหละอย่างนี้ก็ปรากฏว่าที่นั่นก็จะมีญาติโยมเนาะเข้าวัดแต่ว่ามาถือศีลกันก็ประมาณสักห้าสิบหสิคนนะฮะเยอะทีเดียววัดเขาพื้นที่ไม่มากนะพื้นที่ก็เล็กๆวัดแต่ละวัดแต่ละวัดพื้นที่ไม่มากเหมือนอย่างของเราอย่างนั้นที่ตรงนั้นก็ปรากฏว่าญาติโยมก็มากันตั้งแต่เช้าเลยเนาะมากันแต่เช้าแล้วก็มารับศีลกัน มาอะไรต่างๆนาน า, นาแต่ว่าของเขาเนี่ยก็จะต่างกันเราหน่อยหนึ่งตรงที่ว่าวันอ่าก็เรียกว่าวันพระใหญ่เนี่ยก็จะรับศีลกันเป็นศีลสิบก็ได้หรือศีล8ดก็ได้ก็แล้วแต่ใครนะฮะจะรับกันแล้วก็ตรงนี้ก็อยู่ปฏิบัติธรรมกันเป็นทั้งวันตั้งแต่เช้าจดเย็นนะฮะอย่างนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าในปรรษาเนี่ยจะอยู่กันข้ามคืนหรือเปล่า นะฮะแต่ว่าสำหรับสำหรับที่เราไปเห็นตรงนั้นก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าพอเวลาที่เหมือนกับว่าเวลาที่อ่าเาเรียกเวลาชันเนาะก็พระก็จะแยกออกมาชันอีกห้องหนึ่งแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าก็จะเป็นโยมโยมเหมือนกับเป็นโยมลูกศิษย์ นะประจํามัดไม่กี่คนที่มาตักให้เราไม่ไม่ใช่จะเป็นาญาติโยมพวกเราใส่บาตพระเหมือนอย่างที่ในวันพระที่เราที่เราอยู่ด้วยกันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ได้เห็นเนาะก็จะมีธรรมเนียมอีกอันหนึ่งที่เห็นก็ทํากันก็คื อ, อาการทํากับปียะเนาะก็อย่างผลไม้เนี่ยเขาก็จะม า, าเขาเรียกว่าเวลาที่จะถวายผลไม้เราเขาก็จะ ทำท่าเอามีดนะฮะเหมือนกับเอามีดแบบว่าปอกผลไม้นะแต่ว่าหมายถึ้งมาเขาก็ทําเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ก็เป็นการทําท่าของเขาเขาก็เหมือนกับยังรักษาก็เรียกว่ารูปแบบเนาะตรงนี้อยู่อันนี้ก็เราก็มองเห็นนะความเป็นก็เรียกว่าความเป็นพุทธของทางศรีลังกาตรงนี้ก็ผู้คนเขาก็ได้ถือว่าก็ ทั้งพระทั้งโยมทั้งเลตตานานาเหล่านี้ก็เหมือนกับก็เคลืค่อนคลักกันตามรอยพุทธเจ้ากันตรงนี้ก็ได้เห็นเราก็มองเห็นภาพแบบนี้นะเราก็เหมือนกับได้นึกถึงความเป็นพระของเราเราก็สํารวมระวังเนาะเราไปเป็นพระจากเมืองไทยเนาะแล้วก็มีพระจันโนดเป็นคนนําเราเองก็เป็นพระติดตามตรงนี้เองเนี่ยก็ ก็ความสำรวมระวังที่มีก็เป็นความสำรวมระวังที่เป็นทั้งหนึ่งก็สำรวมระวังทั้งในฐานะของการเป็นลูกทีมแล้วก็2ก็สำรวมระวังทั้งในฐานะของการเป็นพระจากเมืองไทยที่ไปตรงนี้เองก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับก็การปฏิบัติที่โยมปฏิบัติต่อเราเนาะเราเองเราในฐานะที่รับเนาะรับบิณฑบาตญาติโยมเนาะรับ เข้าของปัจจัยจากญาติโยมเราสมควรที่จะก็เรียกว่าสมควรที่จะทำตัวสมควรที่จะรับหรือไม่เหมือนอย่างที่เวลาที่เราก็เรียกว่าสวดกันอยู่ทุกๆวันเนาะจะเป็อย่างนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับกเรียกว่านึกถึงอ่าก็เรียกสิ่งที่พระพุเจ้าได้บอกเอาไว้นะก็ศาสนาพุทธก็อยู่กับอุบาสกอุบาสิกาเนาะ ภิกษุภิกษุณีสิ่ง ต, าตาา่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรียกเป็นส่วนประกอบของกันและกันการที่ญาติโยมปฏิบัติต่อพระการที่พระปฏิบัติต่อญาติโยมก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เหมือนกับศาสนาพุทธเนี่ยเรจะสามารถที่จะดํารงอยู่นานไปแค่ไหนตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าก็อยู่ในอยู่ในวิถี การที่เราอยู่ตรงนั้นเนี่ย ก, ก็เขาเรียกว่าธนอา จ, จรา์ก็จะมาจากสายวัดป่าเนาะสายวัดป่าตรงนี้สิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียมที่ถือเป็นถือเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อปฏิบัตินะที่สมควรระวังกันก็คือเรื่องของการจับเงินนะฮะ ตรงนั้นก็ท่านอชราก็ได้ได้ทำตัวอย่างให้เราได้เห็นรวมถึงเขาเรียกว่าพระคุณเจ้าจะเป็นพระอุปัชฌาก็ดีจะเป็นภิกษุณีแม่ที่เป็นแม่โยมแม่ของท่านอัชราก็ดีอะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็เหมือนกับก็ได้เขาเรียกว่าคล่งคลัดเนาะคลึงครัดในเรื่องพวกนี้ให้เราได้เห็นก็เป็นสิ่งที่ก็น่ายินดีแต่ในส่วนของอีกสองส่วน จะเป็นส่วนของอพระพระบ้านตรงนี้เองเนี่ยก็ไม่ทันได้ไม่ทันได้เห็นนะไม่ทันไดเห็นว่าอย่างการขึ้นรถเนาะการขึ้นรถเม์เนี่ยพระจัน์โนตก็ได้มีโอกาสนั่งนั่งรถเม์กับพระป่าที่ขึ้นมาทีหลังเราเนาะปรากฏว่าท่านก็เหมือนกับท่านก็ยืน่นใบดีกาเนี่ยให้กับกระเป๋ารถ นะฮะเหมือนกับว่าถ้าจะเก็บสตังท่านก็ให้ไปเก็บจากโยมอะไรทำนองนั้นนะฮะอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นธรรมเนียมที่เหมือนกับเอื้อให้กับการที่ไม่ต้องจับเงินกันก็คล้ายๆว่าในอ่าเาเรียกว่าในการบวชเนาะในการบวชสินสิบนะข้อสุดท้ายเนาะก็ลูปะรัชตะเนาะอันนั้น ก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าจริงๆแล้วการจับเงินหรือการยินดีนะกับการการรับเงินตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับก็เป็นหนึ่งในศีลข้อที่เราเองเราก็ควรระวังถึงแม้ว่าในวัดเราเองเนี่ยเรื่องการจับเงินก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้เคร่งครัดอะไรกันแต่ว่าทํานองเดียวกันเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับศีลก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็แนะนา แนะนำว่าเราเนี่ยยังดินยินดีกับเงินทองพวกนี้หรือเปล่าการยินดีตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เราแบบว่าติดทุกข์ติดสุขเนาะกับการยินดีตรงนี้เพราะฉนั้นนั่นคือเมื่อติดทุกข์ติดสุขเนี่ยการที่เราหวังที่จะไปถึงจุดที่จะไม่ทุกข์เนาะในทางที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ก็เป็นเรื่องยากแล้วก็ทํานองเดียวกันเรื่องเงินทองก็จะเป็นเรื่องที่เหมือนกับเป็นสิ่งที่ยิ่งยุคปัจจุบันเนาะ เป็นยุคที่ก็เรียกว่าเป็นยุคทุนนิยมเรื่องเงินเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่แบบว่ามีโอกาสที่จะพวกเราเนี่ยจะเข้าไปยุ่งด้วยได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้พวกเราจะเป็นอุบาสกก็ดีเป็นอุบาสิกาก็ดีจะเป็นพระพระกุณเจ้าเราก็ดีจะเป็นแม่ชีก็ดีเนี่ยเวลาที่พวกเราจับต้องเงินกันอะไรเงี้ย น, นะพวกเราก็สำรวมระวังตรงนี้กันลองสำรวจดูใจเราเนาะ เรายินดีกับเงินกับทองพวกนี้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเองก็เป็นคําสอนที่ช่วยให้เราเนี่ยไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้ถ้าหากว่าเรายัางเผลอไปยินดีบ้างอะไรต่างๆนานาเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่ให้พวกเราเนี่ยก็ได้สํารวมระวังเนาะก็หลีกเลี่ยงกันบ้างเนาะหรือไม่งั้นก็ให้พวกเราเนี่ยได้ พิจารณาถึงเงินทองของนอกกายตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็จะช่วยเราการที่ไปที่ประเทศศรีลังกาตรงนี้ก็ยังมีวัดที่เราไปอีกวัดหนึ่งก็จะเป็นวัดที่เป็นวัดทำบุญเนาะแล้วเราก็มีโอกาสที่จะเข้าไปพักที่ตรงนั้นวัดทำบุญนี้ก็ก็จะเป็นวัดอ่าก็เรียกว่าวัดอ่าศรีปาทะเนาะจะเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศศรีลังกา ก็จะมีผู้คนเนี่ยขึ้นไปแบบเรียกว่าไปไหว้พระบาทแล้วก็รวมทั้งก็เรียกว่าไปรับแสงอรุณตอนเช้าเนาะก็จะเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสุดยอดของสุดยอดของชาวศรีลังกาครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเขาก็จะอุ้มลูกจุงหลานกันบางทีเด็กน้อ ย, นอยเนาะยังเดินไม่ได้เนี่ยเขาก็อุ้มกันขึ้นไปแล้วก็ระยะทางที่ไปกันเนี่ยก็ไม่ใช่ระยะทางน้อยๆเนาะขึ้นเขากันเป็นแบบเจกิโล ก็พวกเขาก็มีมีความเพียรกันมากๆเลยเขาก็มันเขาก็เชื่อว่ารอยพระบาทที่อยู่บนยอดเขายอดเขาจริงๆนะฮะก็คือเป็นหินก้อนสุดท้ายแหลมๆอยู่บนเขาเลยเนี่ยก็เขาก็เชื่อว่านั่นเป็นรอยพระบาทของพระเจ้ากันนะฮะเขาก็ไปไหว้กันแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเขาก็ไปรับแสงอรุณกันที่ตรงนั้นก็จะมีก็เรียกว่าผู้คนเนี่ยจะ ท, ทยอยขึ้นมากันต้องเรียกว่าตลอดคืน เพราะว่าเหมือนกับบางทีตอนเย็นเลิกงานแล้วก็เดินขึ้นมานะฮะบางทีก็มาถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามอะไรกันอย่างนี้นะฮะแล้วก็พอตอนเช้าเนี่ย <c oughs> <c oughs> เขาก็จะมีการอ่าก็ เ, าเรียกว่าตีเกราะเคาะระฆังกันเพื่อรับอรุณงินตอนเช้าถือเป็นมหากรรมก็เรียกว่าลัวกลองกันประมาณสัก ยีนาทีได้เนาะจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นเต็มดวงแล้วก็เลิกลวกลองกันตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นอ่าเป็นศาสนาสถานที่ก็เรียกว่าเป็นคนทําบุญกันไปเข้าไปทําบุญกันแล้วก็เข้าไปเหมือนกับว่าได้เข้าไปไหว้พระบาทกันได้เข้าไปเหมือนกับได้เข้าไปอืมเขาเรียกว่าจะเรียกว่า ยังไงไปชมพระอาทิตย์กันนะก็เรียกว่าเนืองน่นะฮะอย่างนั้นเนืองแน่นมากๆก็เราก็ได้เห็นคนเฒ่าคนแก่เด็กเล็กต่างๆนานาเหล่านี้เยอะแยะไปหมดก็ที่พักบนนั้นก็จะเป็นที่พักแบบที่พักรวมๆนะฮะที่พักไม่มากเนื่องจากมายอดเขาก็เป็นยอดเขาที่ที่แหลมมากๆหาที่ลาบไม่ได้นะก็ไม่ไ ด, นะะไได้ไม่ได้สอบถามว่ามีพระอยู่บนนั้นสักกี่รูปแต่ก็เท่าที่เห็นก็ เห็นอยู่สองสารูปนะฮะที่เดินตามๆเจอาวาดกันอย่างนี้อย่างนั้นเออที่วัดที่ศรีลังกานี่ยเขามีแปลกอีกอย่างหนึ่งน ะ, ะตรงที่ว่าในตัววัดน ะ, ะที่มีพระอยู่เนี่ยเขาจะไม่ให้โยมผู้หญิงอยู่อย่างนี้อย่างนั้นแม้ภิกษุณีก็ตามนะฮะก็ภิกษุณีก็จะแยกไปอีกวัดหนึ่งนะฮะพระภิกษุก็จะอยู่อีกวัดหนึ่งแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกว่าในส่วนของโยมเนี่ยก็ เหมือนกับว่าโยมผู้ชายก็อยู่กับวัดโยมผู้หญิงก็อยู่กับภิกษุณีอย่างนี้นะเขาก็แยกกันไปตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็ณนะยุคนี้เป็นอย่างนี้กันนะฮะก็เราก็มองว่าก็เป็นสิ่งที่ก็เขาคงจะได้เห็นก็เรียกว่าความเอื้อเฟื้อในเขาเรียกว่าในชีวิตนักบวชนะเนาะดันั้นซึ่งตรงนี้เราก็มองเห็นว่าเออการที่เราไปไปอย่างนี้ได้เห็นนะผู้คนนะ ได้เห็นวิถีชีวิตได้เห็นการกินการอยู่ของเขาสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้มองกลับมาเนาะถึงพุทธศาสนาในประเทศเราถึงผู้คนในประเทศเราตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็อุ่นใจเนาะว่าประเทศสิีลังกาที่ครั้งหนึ่งก็เคยแบบเราเรียกว่านับ สยามนิกายนะสยามวงเข้าไปอยู่ในศีรกามีการแลกเปลี่ยนพระกันของประเทศไทยก็มีลังกาวงอยู่ในประเทศไทยประเทศเขาก็มีสยามวงอยู่ในประเทศเขาอะไรอย่างนี้นะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเป็นอ่าเขาเรียกเป็นพุทธเนาะเป็นประเทศที่เป็นพุทธพุทธเป็นส่วนใหญ่เนาะเป็นพุทธเป็นหลักงี้เหมือนกันเนี่ย ตรงนี้เราก็มองแล้วก็อุ่นใจนะว่าประเทศของเขาก็เป็นประเทศที่ยังคงแข็งขันนะอยู่กับพุทธศาสนาเช่นเดียวกับประเทศเราก็แข็งขันอยู่ในพุทธศาสนาเหมือนกันซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะก็เอามาเล่าสู่กันฟังพวกเรานะฮะก็อุบาสกอุบาสิกาพวกเราเองเข้าวัดกันด้วยจุดประสงค์เดียวกันก็คือด้วยจุดประสงค์ที่พวกเราเองก็ ตามรอยพุทธเจ้าเนาะพระก็เหมือนกับพุทธบุตรเนาะพุทธเจ้าเป็นพ่อเนาะพุทธเจ้าสอนอะไรไว้ลูกก็ทําตามกันสิ่งที่พุทธเจ้าสอนเอาไว้ตรงนี้เนี่ยเนาะก็เป็นเรื่องที่พวกเราก็ชัดเจนกันว่าพุทธเจ้าเนาี่ยสอนเรื่องความไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นคือคําสอนของพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยก็เป็นไปเพื่อความไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นคือตรงนี้เนี่ยพวกเราเองเดินก็มาตรงนี้กันเนาะ พวกเราก็จับหัวใจของผู้ศาสนาตรงนี้เนาะแล้วก็คําแนะนําของพระเจ้าทั้งหมดคําแนะนําของครูบาอาจารย์ทั้งหมดจะเป็นหลวงพ่อคําเขียนก็ดีจะเป็นพระอาจารย์เป็สารก็ดีจะเป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายแหละก็ดีเนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยไม่ทุกข์กันเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้ก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้เหมือนกับตั้งใจนะว่าครั้งหนึ่งพวกเรา เข้ามาอยู่ในวัดกันเข้ามาอยู่ในวัดป่าสุกโตกันแล้วที่นี่ก็เป็นที่ที่ตั้งใจปฏิบัติตามคําแนะนําของพระเจ้าตามคําสั่งสอนของพระเจ้าวันนั้นนึงคือตรงนี้เนี่ยก็ขอให้พวกเราตั้งใจกันว่าความปฏิบัติของเราทั้งหลายด้วเนาะจะเป็นการรักษาพรหมจรรย์ก็ดีเนาะจะเป็นการปฏิบัติการรู้สึกตัวก็ดีหรืออะไรต่างๆนาน า, นาเหล่านี้จะก็ดีจะเป็นการเคลื่อนไหวก็ดี ตรงนี้เนี่ยก็หัวใจหลักๆ ก, ก็คือการเป็นไปเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้เข้าไปถึงจุดที่ไม่ทุกข์นั่นก็นคือตรงนี้คำสอนเนาะของหลวงพ่อกาเขียนเนาะที่บอกว่าแบบให้เราเนี่ยไม่ว่าอย่างไงก็ตามกลับมารู้สึกตัวไว้ก่อนไม่ว่าอะไรยังไงก็ตามเนี่ยเรากลับมารู้สึกตัวไว้ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นคาที่ก็เรียกว่าเป็นคาสอนที่พวกเราเนี่ย หัดกันเพราะว่านั้นคือตรงนี้เป็นก็เรียกว่าเป็นสติเนาะที่เป็นแม่ของธรรมทั้งหลายแล้แลวก็ตัวสติตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวที่จะทําให้เราเนี่ยได้เห็นนะความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ได้เห็นความจริงของก็เรียกว่าทางพุทธศาสนาเนาะที่บอกเอาไว้ความจริงตรงนี้ก็คือความจริงที่พูดถึงชีวิตของเรานะว่าเอ๊ะชีวิตของเรา อ응ืเราได้ทันรู้กันไหมว่าชีวิตนี้ไม่ใช่ของเรากายนี้ไม่ใช่ของเราใจนี้ไม่ใช่ของเรากายนี้ไม่เที่ยงใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์คาสอนพวกนี้ละ่ะจะเป็นคําสอนที่ความรู้สึกตัวเนี่ยจะทําให้เราเห็นจริงตามที่พุทธเจ้าเนี่ยได้บอกเอาไว้แล้วก็ตรงเนี้ยก็จะทําให้พวกเราเนี่ยได้ไปถึงจุดที่เขาเรียกว่าความไม่ทุกข์กันโดยการใช้สติแล้วก็ด้วยการใช้ คำสอนของครูบาอาจารย์คำสอนของพระพุทธเจ้าได้ยกันทุกๆคน